หน้าตอกเต่าทั้งนั้นนะ <c oughs> ไปไหนก็เจอหน้าหน้าอย่างนี้หนละที่จริงคนเข้าวัดมีจํำนวนไม่มากอยมีนิดเดียวสถานที่แห่งนี้นะหลวงพ่อเคยมาตั้งแต่หลายปีมาแล้วตั้งแต่ก่อนจะสร้างที่นี่เมื่อก่อนมีการอบรมกรรมฐานครูบาอาจารย์วัดขาทัานมาในที่บ้านหลวงชินในหมู่บ้านเนี้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 ตอนไปบวนใหม่ๆไปอยู่ที่เมืองกาโยมทางสารินชินยมที่กิตติยมที่ติว๋วที่ติ๋วรูปรูคิดเปไปนิมนต์หลวงพ่อบอกให้มาที่นี้หลวงพ่อก็ปฏิเสธมาตลอดนะเพราะว่าเราไปซ้าใหม่เธเลอดะล่ามันคงไม่ดีน่าเกลียด น, นี่ตอนนี้ผมวงพ่อย้ายวัดไปอยู่ศิีราชาที่ศรีราชานี้ มันใกล้นะใกล้กรุงเทพแต่ว่ามันไม่ค่อยมีรถไปจถาถัาเดีวพอก็นึกถึงคนซึ่งเดินทางยากจะไปหาหลวงพ่อที่สีราชาเป็นยากอดีพวกเด็กกลางธรรมบุญธนาคือแล้วพวกนี้ไปให้มาช่วยสอนในกรุงเทพที่แรจะชวนไปที่ป า, านาน่าเลยพมาที่นี่ดีกว่าจริงๆก็คือ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 ที่จริงแล้วคนก็สแสวงหาทางพ้นทุกข์มาตลอดอใครๆก็อยากพ้นทุกข์ทางนั้นก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็สแสวงหาทางพ้นทุกข์กันกระทั่งหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรมันก็สแสวงหาทางพ้นทุกข์ของมันนี่การสแสวงหาทางพ้นทุกข์ที่มีมาตลอดเนี่ยมันก็สแสวงหาไปได้ตามชั้นตามภูมิตามความเข้าใจตามสติปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนหาทางพ้นทุกข์โดยการเสพสุข แสวงหาอารมณ์ที่เพื่อเตือนพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นรุ่มใจขึ้นมาไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาอะไรสวยๆดูไปทัศนจรมไปหาของอร่อยๆกินแก้กลุ่มหรือไปคิดอะไรให้เผลิๆเปลิปลปลนๆ น, นี่ก็เป็นวิธีหาความสุขอย่างหนึ่งหาความสุขอย่างโลกๆหาความสุขโดยอาศัยการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ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 นี่พระพุทธเจ้าท่านฉลาดแหลมคมนท่านบอกว่าระรับใดที่ยังปลูงแต่งอยู่อย่างนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแก้ปลายทางเท่านั้นตรงจุดจริงๆก็คือตัวตนมีไหมข้ามาศึกษาศึกษากายศึกษาใจของเราเองจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็าาปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือใจได้ละอวิชาอวิชาคือความไม่รู้อริยสัจ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 ก็คือกายกับใจเรานี่เป็นเครื่องเสียดแทงนี่หน้าที่พวกเราคอรู้สึกอยู่ที่กายก็รู้สึกอยู่ที่ใจตัวเองกรรมฐานเนี่ยถ้าเลยกายเลยใจของเราออกไปแล้วก็มันเสือมแปมันอ้อมค้อมไปงั้นให้คอยรู้อยู่ที่กายคอรู้อยู่ที่ใจครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเคยสอนหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อยังไม่ได้บวชถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆนะท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยนะ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 อัศจรย์ดูในพระไตรปิดกนะเวลาพระพุทธเจ้าเทศจบเนี่ยคนจะอูทานนะว่าอัศ จ, จรรย์จรงิงๆแจ่มแจ้งนะักพระเจ้าข่าเห็ไหมแจ่มแจ้งนะไม่ใช่ว่าสับนนะักพระเจ้าข่าน ะ, แ, ะแจ่มแจ้งนะักพระเจ้าข่าเหมือนเปิดของควบให้ง่ายของง่ายๆนะพระพุทธเจ้าก็เหมือนคนจุดไฟขึ้นมาแล้วคนตาดีก็มองเห็นแสงสว่างมองเห็นสิ่งต่างๆนั้นธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยาก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 แต่เราเห็นว่ามันทุกขบ้างสุขบ้างทำยังไงจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆตรงากางคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่สามารถเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆแต่เห็นว่ามันทุกขบ้างสุขบ้างเราจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะกายนี้ยังมีทางเลือกนะมันสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เพราะงั้นเราขอเรืองเอาสุขไว้ก่อน <c oughs> ขอเลือกวิ่งหนีความทุกข์ไว้ก่อนิตใจก็เหมือนกันถ้ายังมีสุขบ้างทุกข์บ้าง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 เราจะรู้สึกกลุ้มใจคืออัดมันสั่งให้จีบสาวสักคนหนึ่งนะได้ไปจีบสาวหนึ่งคนมีความสุขละพอได้หนึ่งคนมันสั่งอีกให้จีบสองคนถ้าไม่จีบจะกลุ้มใจอีกละนี่ยมันจะสั่งเราทั้งวันนะดูตกคนที่ตกเป็นทาสเนี่ยมันจะมีความสุขที่ตรงไหนคอดูอยู่ที่ใจเราจะเห็นเลยใจเรานี่ถูกปกถูกตรับอยู่ทั้งวันความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยนะ ร่างกายของเรายังได้นอนพักแต่จิตใจได้แทบไม่ได้พักผ่อนเลยกลางคืนก็ฝันต่ออยู่นะเหมืนอนทรมานมากมีความทุกข์มากคอยรู้อยู่ที่จิตใจเราเนี่ยจะเห็นไลยจิตใจที่ทุกข์มากจิตใจต้องทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนปุ๊บต่งตลอดเวลาเจ้านายมันโปกมันตักตลอดเวลานี่เราก็ไม่รู้เราไม่เคยเห็นเราเป็นภาพที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นภาพ เมื่อเราเป็นธาตที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นธาตเนี่ยเราไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นธาตอยู่ให้คอยดูใจเราไว้นะใจเราเดี๋ยวก็อยากไปโน่นเดี๋ยวก็อยากไปนี่นะเดี๋ยวอยากคุยกับคนนี้เดี๋ยวอยากโน่นอยากนี้ไปด้วยคิดว่าถ้าอยากได้อย่างนี้นะเราได้มาเราจะมีความสุขกิเลสมันหลอกเรานะให้วิ่งหาความสุขวิ่งทั้งชาติก็ไม่ได้นะความสุขอะเย่างตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยถ้าเรียนหนังสือจบจะมีความสุข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 แต่ถ้าได้มีครอบครวัวที่ดีๆจะมีความสุขมีลูกฉลาดๆจะมีความสุขไปพอแก่แก่นะถ้าวันไหนไม่เจ็บไม่ไข้จะมีความสุขพอแก่มากจะใกล้ตายเจ็บปวดทรมานมากเราจะรู้สึกที่ไห่แล้วถ้าตายจะได้จะมีความสุขหรือจนตายยังคิดติดนะถ้าตายได้จะมีความสุขเนี่วิ่งหาความสุขไปเรืเร่อยๆแล้ววิ่งคลานคลานๆ น, นะยิ่งกว่าหมาถูกน้ำร้อนนะพูดพูดแบบง่ายๆ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 รุ่มใจนะหงุดหงิดนะจิต ใ, ใจหงุดหงิดนะหลวงพ่อมาใหม่ๆเริ่มฟังใหม่ๆตื่นเต้นฟังมาหลายนาทีชักจะง่วง่วนงะเนี่ยดูใจของเราความรู้สึกของเราเปลียนแต่หัดดูไปเรื่อยๆไม่ใช่หัดบังคับนะไม่ได้เรียนเพื่อจะ บ, บังคับกายบังคับใจแต่หัดดูให้เห็นความเป็นจริงนะกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นผู้กายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ฝึกบังคับฝนะึกดูให้เห็นความจริง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 อัดดูไปเหลอแวบไปรู้สึกแวบไปรู้สึกไปเรื่อยจิตที่เหลอไปนนอกุศลเกิดขึ้นมาห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวคือรู้ทันว่าเมื่อกี้เหลอไปเนี่ยสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะแต่ถ้าจิตมันจําได้ว่าเหลอเป็นยังไงเนี่ยสติถึงจะเกิดมันจะระลึกได้เลยเหลอไปแล้วนะเหลอไปแล้วนะรู้ตามหลังไปติดจิอย่างนี้ตลอดเวลาการดูจิตดูตามหลังไปเรื่อยๆนะดูไปเมื่อกี้เหลอไปแล้วเมื่อกี้เหลอไปแล้วดูไปเรื่อยๆเมื่อกี้โกรธไปแล้วเมื่อกี้โลภไปแล้ว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 อันที่ที่เราคิดถึงการปฏิบัติเราก็จะเริ่มบังคับกายบังคับใจตัวเองบางคนกำหนดลมหายใจนะหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยนะพ<ม>อกำหนดลมหายใจเหนื่อยจะตายแล้วนะบางคนเดินช้อปปิ้งนะเช้ายันค่ำไม่เหนื่อยเดินโจงกลม5นาทีใกล้จะตายแล้วเหนื่อยทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะมันดัดแปลงตัวเองตลอดเวลารู้สึกมไหมมีคนเข้ามาหาพระเนี่ยพวกเราไปดูเห็นหมเราดูคนเอา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 อย่าส่งกี่ดอกนอกก็คืออย่าหลงอยาบเหล่อนั่นเองคอรู้สึกตัวใไปหลวงพอเตียนก็สอนนะคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวอย่างเงี้ยผรูบาอาจารย์จริงจะิงแ่ลงสอนนิดเดียวเวลาใจเราคิดมันหลงไปพอเรารู้สึกขึ้นมามันก็ไม่หลงแนละ้วหลงก็ตายไปเหมือนแมวมันจบหนูไปแนละ้วจริงจริงไม่ได้ยากอะไรหรอกหลวงพ่อเทศไม่เป็นนะเ <c oughs> ทศไม่เป็นหรอก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 หายใจแล้วรำคานหงุดหงิดว่าหงุดหงิดเนี่ยหายใจแล้วจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นคนไหนหัดดูท้องของยุกก็ดูไปนะหลวงพ่อไม่ได้ห้ามดูท้องคลองยุกไปเรื่อยๆใจหนีไปคิดอีกล่ะใจนีไปคิดก็รู้ทันใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกใจเกิดกุศลเกิดหนักกุศลอะไรก็รู้ทันหัดรู้สภาวะของใจไว้นะคนไหนขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนนะหัดทําทป็นหวะขยับมือ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 คล้ายๆเรายืมเสื้อสวยๆก็มาใส่นะยืมมาแล้วยืมเลยไม่หย่านคืนแต่รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราพระโสดาบันรู้แล้วว่ากายกระจไม่ใช่ของเราแต่หวงคอรู้ไปเรื่อยเลยโอ้กายนี้ทุกข์ล้วนๆนี่ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตปล่อยวางความยึดตือกายได้จิตจะมาตั้งมัน่นทรงตัวเด่นล้ว ง, นะ ส, วงสว่างสวายอยู่มีความสุขอยู่ที่จิตอันเดียวปล่อย ng, วางกายได้นี้ภูมิของพระอานาคามี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 สติปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นเลจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะไอตัวธาตุรู้ตัวผู้รู้ที่ว่าวิเศษวิโสนั่นแหละมันไม่เที่ยงมันเศ ร, ร้าหมองได้มันห่องใสได้มันเศร้าหมองได้เศร้าหมองได้ก็ห่องใสได้ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะทุกข์ล้วนๆทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนในทางโลกในทางร่างกายนะหลวงพ่อเคยได้ยินบอกว่าผู้หญิงเท้าเล่าบอกว่าออกลูกนี่ทุกข์ที่สุดในโลกหลวงพ่อไม่เคยออกลูกนะ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 ไม่พ้นเลยจะทุกอย่างเดียวนะคอยรู้ไปนะไม่มีอะไรสอนนะหลวงพ่อก็พูดส่งเดชไปเรื่อยๆเลยคนไปฟังสลวงพ่อที่เมืองการเมืง่งที่เมืองชนมื่อนะก็ไปฟังซ้ำซากอย่างนี้ทุกวันนะที่เกียรฟังก็เอาซีดีไปฟังนะธรรมะที่หลวงพ่อเทศแต่ละครั้งเนี่ยฟังครั้งเดียวก็พอละวและหมาถึงฟังเรื่องเดียว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 แส่วหนังสือหลวงพ่ออ่านยากนะอ่นยากอ่านยา ก, ายากฟังซีดีก่อนจะง่ายกว่าฟังไปแล้วก็ไปสังเกตใจแต่ไปสักพักหนึ่งไปอ่านหนังสือโอ้เจ็เกิดกับเข้าใจนะซีดีหลวงพ่อกับหนังสือหลวงพ่อรับรองไม่เหมือนใครนะฟังแต่ละครั้งฟังแต่ละครั้งอ่านแต่ละครั้งเข้าใจไม่เหมือนกัน <Yes. S 1> ปลาช้าเลยนะลองดูตันะ้งสติรอบหนึ่ง้วเราปฏิบัติ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 เก็บกฎเฉยๆดูดีดูดีดูเรียบร้อยไม่ดีจริงหนอกพอหรยังหล <c oughs> พเสารอีหนึ่งคนไม่กี่คนนะเยอะๆหรือจะพูดยังไงนะเห็นหน้าก็ตาลายลวน <c oughs> นเนไมพอหลวพ่อพูดเล่นพวกเรารู้สึกฝ่อนใจรู้สึกไหรู้ทันความรู้สึกของเอง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 อาใครจะถามอะไรเชิญเอเดี๋ยวหลวงพ่อต้องอธิบายก่อนนะหลวงพ่อมาที่เนี่ยเพื่อจะมาสงเคราะห์คนที่ไปที่นโน่นยากงั้นพวกหน้าำตำซากจากที่นโน้นอย่าถามเลยนะอะไรนะนังสือเขามีแจกไง แต่วันนี้ไม่มีแล้วเนาะนนคุณธนาเขาเตรียมมาสองร้อยเล่มพวกเรามามากเกินไป <c oughs> ไปอ่านจากหนังสือพิมพ์ได้เนี่ยเห็นนังสือหนังสือพิมพ์อยนี่น <c oughs> อ่านในเน็ตก็มีมั้งนะอ่านจากอินเทอร์เน็ตก็มีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะรู้แต่แค่นี้แหละ <c oughs> อินเทอร์เน็ตตรงไหนก็ไม่รู้ผู้จัดการเผู้จัดการลงจิลรนิกด้วยมั้ แล้วแล้วมันมีทั้งเล่มไหนแบบหรือให้อ่านสี่ละท่อนเท่าที่ออกแล้วสือทิมได้แต่ไม่ใช่ไปทิมขายเนาะมันทำเฮลไฟได้เคยเห็นเขาทำเฮลไฟเล็กนิดเดียวหนังสืออยากได้นะไปขอคุณสนานะคุณธนาเอนั้ น, น, ะ น, น, นะที่ดูอาวุโสมากๆหน่อยอยู่นั่นนะ <c oughs>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 ชาวลานทำแขนขายาวขับรถรถุดรัดรุดรัดเดี๋ยวถ้าวันนั้นวันนี้นะช่วยตัวเองเอาหลวงพ่อเห็นใจคนที่ขึ้นรถเมลอ่ะขึ้นรถเมลไปยากนะทำไมเห็นใจมากเพราแต่ก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ขึ้นรถเมลไปไปยากนะนั่งรถไปทั้งคืนเลยไปถึงแล้วยังต้องไปเดินบางทีเดินอีกตั้งวันนะลําบากครูบาอาจารย์อยู่ไกลอ้าเชิญไม่ชี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 แต่เวลาที่เหลือเนี่ยเราต้องคายรู้กายรู้ใจตัวเองลงพ่อปึกตั้งแต่เป็นค า, ารวะตั้งแต่ยี่สามพฤษภาสองห้า 2, 5, ดูทุกวันเลยตอนนั้นรับราชการอยู่นะตื่นนอนตอนเช้านึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งเลยรายชการชั้นดีนะเป็นบ้างไหมอันนี้รักวิสาหกิจชั้นดีนะตื่นขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งปฏิบัติแล้วนะจะ<ม>เห็นเลยความแห้งแล้งมาได้ก็ไปได้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 ไม่ใช่อุเบกขาแบบควายหลงพระชาติเรียกอุเบกขาแบบควายฝนะตกหลังคารั่วก็ไม่ซ่อมแบบว่าอุเบกขาอนะไรเียนะต้องมีสติปัญญารักษาตัวตามองเห็นความรู้สึกเสีย่ยนแสงรู้ทันนะจมูกได้กลิน่นเะช่นเราอยู่ในบ้านเราอยู่อยู่ได้กลิ่นอะไรเน่าๆ น, นะเราจะไม่สบายใจสงสัยจิ้งจกมาตายหรือหนูมาตายเนี่ยรู้ว่าไม่สบายใจเวลาไปอยู่ตามวัดในป่า ได้กลิ่นเน่าๆรับรองไม่คิดถึงจริงจบ ก, กับหนูนะอ่าสงสัยผีจะมาแล้วคราวนี้นะคราวนี้เปลี่ยนเป็นกลัวๆๆๆๆๆกลัวรู้ว่กลัวที่หัดดูไปอย่างเนี้ยตามองเห็นความรู้สึกเปลี่นก็รู้หูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนก็รู้นะอะไรเกิดขึ้นใจเราไปคิดความรู้สึกเปลี่ยนแสงไปก็รู้โน่นโไม่ใช่คนนี้อมีอะไรไหม เจริญสติเนี่ยต้องทําให้ได้ในชีวิตประจําวันนะเพราะวอะไรชีวิตส่วนใหญ่ของเราคือชีวิตที่อยู่ปกตินี่แหละถ้าหากเราปฏิบัติได้เฉพาะตอนไปเข้าคอสหรือตอนไปอยู่ ว, วัดเนี่ยปีหนึงมีนิดเดียวนะการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดอยู่ที่ชีวิตประจําวันเราไปเข้าคอสเข้าวัดนะเพื่อรู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องเอามาใช้ให้ไดนะ้วิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่ายที่สุดนะีก็คือการดูจิตตัวเอง น, นั่นเอง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 เพราะอะไรเพราะแต่เดิมเนี้ยกิเลสอยู่ในใจเราเราไม่เคยเห็นเราก็คิดว่าเราดีแล้วนะแต่พอเรามาหัดรู้หัดดูมารู้ทันตัวเองนะจะร้ายมากเลยมีอยู่ทีมหนึ่งเขาตั้งชื่อทีมว่าสิบเอ็ดนางสาเนะอมาหัดดูสักพักหนึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นสิบเอ็ดแม่มดนั่นใครดูนะนะกิเลสเกิดทั้งวันเลยครูนะสอนเกิดน้อยนะอาครูสอนเกิดเยอะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวโกรธเดียเด๋ยวหลงเดี๋ยวเบือ่อเดียเเด๋ยวหงุดหงิดนะจะเป็นอย่างนี้ทั้งวัน ถ้าเก็บโปรดไม่เป็นเข่งนิ่งๆชื่อๆนะมีความสุขอยู่ทั้งวันก็รู้สึกว่าดีที่จริงไม่ดีซ่อนกีเดสไหมค่ะเรนถามท่านนะคว่าท่านบอกว่าเมื่อเรารู้จิตอะไรขึ้นมาให้โกรเรารู้ว่าโกรดไม่ต้องห้าไม่ต้องเลยนะมันอดภาคไม่ได้ใหม่ๆมันภาคทุกคนเลยเราห้ามมันไม่ได้มันจะภาคภาคก็จิตมันฟุ้งซ่านไปก็ช่่งมันไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้ จิตจะภาคก็ห้ามไม่ได้มัอน อ, นะ อ, อมันอดภาคไม่ได้ก็ั่างมันดูไปนะฝึกหลายปีกว่าจะเลิกภาคการดูกายนี่เราต้องแยก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 มันจะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุให้ดูเราจะรู้สึกทันทีเลยตัวนี้ไม่ใช่เราละเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งอย่างนี้เราจะรู้สึกถึงความมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งทนะี่เรียกว่ารูป จ, จิตมันต้องฝาดขอนขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะมาจะเจริญปัญญาเห็นไกาเป็นตัวรูปนะรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาได้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นขอ้อเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณ้เหมาะกับคนเล่นฌาน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 ดูปกสิไปก็เห็นร่างกายนี้มันเดินอยู่เห็นกายมันเดินใจมันเป็นคนดูอยู่อย่างนี้แต่ถ้าจะดูจิตก็คือพตามันมองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันหู้ได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันดูกายก็ได้ดูใจก็ได้แล้วเสร็จริตการดูจิตใจนี้ไม่ต้องทําสมาธิก่อนนะสมาธิจะเกิดทีหลังเป็นปัญญานําสมาธิการดูกายเนี่ยใช้สมาธินําปัญญาดูจิตทำไมไม่ให้ทําสมาธิก่อน เช่นจิตฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าไปทำสมาธิก่อนจะไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดมูมีแต่จิตสงบกนะ็จะเที่ยงอยู่อย่างนั้นเนองเฉยเฉยวิธีอะไรนะรักกาปะคูนคุณต้องเป็นผ้านักชาให้ได้ก่อนอเ อ, อยังไม่เป็นไม่ละหรอกนะคุณต้องเคยนะสมัยก่อนมีคล้ายๆอะไรหนะ้า เป็นเพื่อนกับหลวงพ่อใกล้ชิดกันมากเลยนะเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะไปวัดด้วยกันอตอนนั้นหัดใหม่ๆเลยไปหาหลวงปู่เทพที่สะออกได้นแหละไปหาหลวงปู่เทพแล้วก็าถามประโยคที่คุณถามเนี่นะคล้ายๆกันหลวงปู่ครับผมจะละกามจะทํำยังไงหลวงปู่ยิ้มหวานนะแต่ท่านใจดีนะจะดีกว่าหลวงพ่อเยอะเลยท่านก็พยายามตอบให้จะละได้ต้องเห็นโทษนะ เห็นว่าการมนี้มีทุกข์มีโทษถึงจะรักได้แต่คนที่จะเห็นว่าการมมีทุกข์มีโทษต้องเป็นผ้าหนาาักชาถึงจะเห็น<ม>นี้ของเราก็คือแปิดเทาความรุนแรงของมันจะตังง้งขึ้นทนะ่านแรกเลยมีศีลศีลสําคัญนะมีศีลก่อนถึงต้องการในการมาคุณอารมณ์รุนแรงแค่ไหนอย่าให้ผิดศีลศีลเป็นมาตรฐานท่านต่ําสุดของมนุษย์แล้วะลังจากนั้นถ้าต่อการมมันเกิดขึ้นเรามีวิธีจัดการหลายอย่าง ดีที่สุดเลยรู้ลงไปเลยว่ากามมันเกิดขึ้นคือนวะ่ราราคาเกิดขึ้นรู้ว่าราคานเกิดขึ้นราคาก็จะตั้งอยู่ดับไปให้ดูนะถ้าดูตรงนี้ไม่ได้ก็จะเห็นอีกนะมาดูที่กายเราก็ได้นะเห็นเในกามกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งกามก็อยู่ส่วนหนึ่งจากมันแยกแยกแยกขันไปเรื่อยก็ได้หรือไม่ได้จริงๆเนีเวลาการมราคาอะไรเกิดขึ้นมันจะชวนให้คิดมันะจะชวนให้คิดเช่นคิดถึงสาวอย่างโน้นอย่างนี้คิดจะไปหลอกเ้านะชอบ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 สมถะที่เหมาะกับการสู้การก็คือการพิจารณากายลงเป็นปฏิปุลเนรสุภะครูบาอาจารย์ชอบสอนเยอะนะในครูบาอาจารย์วัดป่าชอบสอนปฏิปุลเสุภะเพราะมันค่มราคานะถ้าหนุ่มเน้นน้อยก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็เอาตัวรอดได้ถ้าเกินไปพิจารณาสุภะเนี่ยโอ้นอนก็สวยนี่ก็สวยนะเดี๋ยวก็เสร็จเลยแต่คุณยังละไม่ได้นะขั้นแรกสุดคุณคือสิงไว้ต่อมาหักเจริญสติ ฝึกให้สติตัวจริงเกิดนะวิธีทําสติให้เกิดก็คือหัดรู้สภาวะไปนะเหลอไปแล้วก็รู้คิดไปแล้วนะเพ่งแล้วก็รู้สุข ก, ก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้นะราคะเกิดก็รู้โทสะโมหะเกิดคอยรู้ไปเรื่อยๆต่อนะไปสติเกิดพอราคะเกิดปุ๊บสติเกิดปั๊บเลยราคะจะเด่นหายไปเลยนะต่อหน้าต่อตาโมหะดูยาก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 หจิตที่มีราคากับไม่มีราคาจิตที่มีโทสะกับไม่มีโทสะในสติปัฏฐานท่านจะสอนจิตไม่เป็นคู่คู่นึกออกไหมเด็ดคู่เดียวก็พอนะถ้าจิตที่ไม่มีราคากับมีราคานี่เกิดตลอดเวลาแล้วจิตก็มี2กลุ่มเท่านั้นเองคือจิตที่มีราคากับไม่มีราคานี่แยกด้วยราคาถ้าแยกจิตทั้งหมดด้วยโทสะก็มี2กลุ่มคือจิตมีโทสะกับไม่มีโทสะถ้าเรียนจิตได้2ตัวนี้ก็คือเรียนจิตทั้งหมดได้หละนี่เรียกว่าจิตในจิตสุ่มตัวอย่างมาเรียน นะสิ่งที่หลวงพ่อแนะนําก็คือจิตที่เผลอไปจิตมีโมหะกับจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมานะจิตที่มีโมหะจิตที่เผลอที่หลงในเ่ยพอไหลแวบเราเกิดรู้สึกว่าไหลไปแล้ว เ, เกิดจิตที่รู้สึกตัวนะเดี๋ยวอีกแวบหนึ่งก็จะไปอีกแล้วก็จะรู้สึกอีกสักนะพักหนึ่งตามรู้ตามดูไปนะบางคนเจวันเจเดือนเจปีอะไรก็ดูไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดข้อสรุปจิตใจมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจนะจิตที่เผลอเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของอกุศลแลจิตเนี่ยห้ามมันไม่ได้ นะจิต ท, ที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของป่ายกุศลสั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ด้วยมิจะเกิดแล้วก็ดับ ใ, ในที่สุดเลยรู้เลยจิต ท, ทุกชนิดนะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเกิดแล้วดับบังคับไม่ไดไ้เรียนส่วนย่อยแล้วรู้ทั้งหมดเรียกว่าเรียนแบบสุ่มตัวอย่างนะภาษสาราเราเรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตเรียนส่วนน้อยแล้วรู้ทั้งหมด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 กายกับใจนี่แหละคือครูสอนธรรมะเราคนอื่นสอนธรรมะเราไม่ได้นะท่านถึงสอนเนี่ยบอกว่าเอธิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิด เ, เห็นไหมไม่ได้ยกธรรมะให้นะแต่ให้มาลองปฏิบัตดิดูนะวิธีลองทํำยังไงโอปนายยิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองน้อมมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจตัวเองเสร็จแล้วจะมีปัจจิตังเวทิสัพโววินยูฮิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองธรรมะต้องรู้ด้วยตัวเองนะ เราลืมตาไว้ถ้านั่งสมาธิแล้วหลับนะเดินไหมเดินจงกรมไหมนะแต่ว่านิสัยพวกเราพอชอบนั่งสมาธิแล้วชอบไปนั่งหลับตาเนะี่ยนั่งหลับตาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เคลิ้มง่ายนะยิ่งเปิดเทปครูบาอาจารย์ที่เสียงนุ่มๆหน่อยนะฟังไปเดี๋ยวก็คำนับพาทําไปเรื่อยนะคำนับไปชั่วโมงตื่นขึ้นมาแหมสดชื่นบอกวันนี้ภาวนาดีนะ <c oughs> เดียรนะเดียร์สอนน้สติเกิดจริงของคุณมันยังไม่เกิดขึ้นมางั้นต้องค่อยๆ่หัดสังเกตสภาวะไปเช่นพอคนเขาชมแล้วใจเราพองขึ้นมาก็รู้ถ้าเห็นอะไมันพองชั่วคราวแล้วก็หายไปมันโกรธชั่วคราวแล้วก็หายไปก็อยู่ดูเล่นเล่นของคุณดูจริงจังเกินไปจริงจังเกินไปแล้วเคร่งเครียดถ้าเมืไรปฏิบัติแล้วรู้สึกเคร่งเครียดก็แสดงว่าทําผิดแน่นอน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 เข้ไปสัมผัสความจริงนะสัจจะอริยสัจจะคือความจริงของพระอริยะความจริงของพระอริยะก็คือกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์มันจะอยากนะใจมันใจมันยังแข็งเกินไปรู้สึกไหมยังบังคับตัวเองอยู่แข็งเกินไปจิตที่แข็งเกินไปนะไม่เป็นกุศลแพ้หรอกยังอยากปฏิบัติอยู่แต่รู้ทำตัวนี้นะ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 งั้นจิตดวงนั้นที่เกิดขึ้นนะเป็นอาคูสัลจิตนะเพราะงั้นไม่ไม่หายความโกรธไม่หายถ้าเราเติมเชื้อของความโกรธลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าสติตัวจริงเกิดในอาคูสัจะต้องดับทันทีเลย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 นั่งอยู่นี่ไม่รู้นะเนี่ยใจลอยแวบๆไปรู้ไหมเดี mm. ย๋ยวว่าแต่นั่งหนึ่งนาทีไม่ได้เลยหลวงพ่อจะบอกความจริงให้ mm. ในเวลาหนึ่งหรือสองวินาทีนะ mm. รู้สึกตัวไม่ได้หรอกแว บ, บเดียวก็หลงแวบบเดียวก็หลงนะไม่มีหรอกนะว่ารู้สึกตัวห้านาทีไม่มีหรอกนะ mm. นาทีหนึ่งหลงตั้งยี่สิบผลทำไม่ได้เห็นไม่คิดจะทาเห็นไหม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 แต่ว่าสิ่งที่คุณปล่อยตอนเนี้คุณจงใจปล่อยไปคุณรู้สึกไหมในใจของคุณเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่นิ่งคงที่อยู่ส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่แปลกปล อ, อปมขึ้นมาต้องปล่อยด้วยสติปัญญาไม่ใช่ปล่อยด้วยการข่มใจไว้วก็ถูกเหมือนกันเออพุโทโธได้นะได้สมถะ นะเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราพุโทโธหรือเราโกรธน้อปกดธน้อหายโกรธเนี่ยเราแก้ความโกรธได้นะได้สมถะนะจิตใจสงบก็ดีแล้วนี่ดีแล้วอย่างน้อยก็ไม่แปอบายละเ อ, อดีนะแต่ดีแบบสมถะแก้อีกคนล <c oughs> นะพระพุทธ <c oughs> เจ้าสอนเนี่ยนะธรรมะมีสองขั้นนะธรรมะมีสองส่วนส่วนของสมถะกต่วิปัสสนา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 เอานี้เอางี้นะหลวงพ่อว่าถามหลวงพ่อเท่าไหร่ก็ไม่จบ น, นะแ่มี c ีดีแล้วเอาซีดีไปปังนะซีดีหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกล้าท้าอย่างหนึ่งอนะตอบได้ทุกเรื่องไอ้ปังเอานะเอาวันนี้ส่สวนแก่เวลานะญาดโยมรับ่อนนี่เจ้าของสถานที่เขาให้ถึง10โมง ยะถาบริวหาปุราปริปูเรนตีสะพรังเอวเมวาอิโตจินนางเปตานางอุปตปฏิอิทิตังปฏิตังทุมหังจิปเมว่าสมิดสตูสัพเทภูเรนตูสังกป่าจันโทปันนาโสยะธามนิโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัชฉันตูสัพโรโควิัสตูมาเตภวตวันตาโยสุขีที่คาโยโภวะ อาภิวาธานาสีลิสณิจังชาปจายโนจตาโรโธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังอาเชิญกลับบ้านลูกต่อไปอ ก, กัน